ถามอยากเป็นคนดีแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองเลวทุกทีที่อดอิจฉาคนอื่นไม่ได้ขอวิธีลดความอิจฉาตาร้อนขอจ้องริษยาด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องทีครับถ้าทุกคนมีญาณอย่างรู้สามารถทราบได้ถึงเหตุที่ใครต่อใครได้ดีหรือตกยากน่าเกลียดหรือหล่อสวยรวยหรือจนโชคดีบ่อยหรือโชคร้ายถี่ โลกนี้คงมีการอิจชาริษยาน้อยลงมากครับเพราะใจจะเหลือแต่อุเบกขาอันเกิดจากความเห็นตามจริงว่าใครทำอย่างไรการกระทําของเขาก็ส่งให้มาสวยผลตามนั้นกิเลสมนุษย์ทำให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากบางทีเห็นอยู่ชัดว่าเพราะเขาขยันเขาทุ่มเทเขาทางานเขาต่อสู้อุปสรรคจึงประสบความสาเร็จสอบได้ที่หนึ่งหรือทางานได้ตาแหน่งใหญ่โต